มีจุดประสงค์อะไรพระพุทธองค์บอกพระพุทธองค์ก็ทราบท่านก็ประกาศเลยดูก่อนสง์ทั้งหลายที่ภาษาริบุตรอัครส า, าวกของเราประครองอัญเชลเีนอบน้อมและกราบไหว้หรือหันศีรษะไปในในทางคิดนั้นเพราะว่าภาษาริบุตรอัครส า, าวกของเรา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 คือท่านอัจารยชีเป็นผู้ชีน้นําเป็นผูเป็นผู้บอกทางได้สําเร็จพระโสดาบันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ความเคารพนอบน้อมท่านอัจารยชีท่านอาจารชีอยู่ที่ทิศใดในวันนี้ทราบว่าท่านอยู่ทางทิศตะวันออกภาษาริบุตรท่องประคองอัญเชิญปนมมือไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก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 อัจฉริเพราะนั้นภาษาริบุตรท่านจึงนอบน้อมเคารพคารวะไม่ใช่ท่านสาริบุตรเป็นมิจฉาทิฐิเอไม่ใช่ท่านเห็นผิดท่านไม่ใช่ท่านนอบน้อมทิฏฐ์ต่างๆทิฏฐ์ทั้งหกทิฏฐ์ทั้งแปดทิฏฐ์ทั้งสี่แต่ท่านนอบน้อมผู้มีประกบพระคุณผู้ทําคุณให้กับท่านสงฆ์ทั้งหลายรับทราบนี่แหละ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 พระพุทธองจะเดชประทับอยู่ที่ถ้ำสุ ก, กรขาตาสุ ก, กรขาตาวันนั้นภาษาริบุตรที่บวชมาได้เจได้สองอาทิตย์ได้เข้ามาถวายงานพัดถวายงานพัดก็คือมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ทางพระอัจฉางคือเบื้องหลังใกล้ายว่าพัดพระพุทธเจ้า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 คล้ายๆว่าเป็นลือสีและเป็นเพราะว่าอินเดียสมัยนั้นมันมันมีหลายศาสนามากแต่ว่าความหมายคือว่าทีคณ ข, ขะแปลว่าเป็นผู้ไว้เล็บยาวคือเล็บออกมาแล้วไม่ตัดไม่ตัดเล็บคงจะยาวมันจะยาวยังไงพปให้มันยาวไปก็เป็นศาสนาหนึ่งเหมือนกันนะว่าทีคณขะเป็นผู้ไว้เล็บยาวเป็นศาสนาหนึ่ง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 ออพอองค์ก็ไม่ได้ถามอีกต่อไปก็เลยประกาศเลยดูก่อนสงทั้งหลายที่สาริบุตรที่ท่านนอบน้อมทิศทั้ง6นั้นเพราะว่าท่านได้ธรรมะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นกุญแจดอกแรกที่เปิดหัวใจของท่านท่านได้สำเร็จพระโสดาบันจากท่านอัชชิ เ, เป็นสาวกปัญญวิปปัญญวิขีทั้งห้ารุ่นแรกองค์สุดท้าย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 ความหยันความหมั่นความขยันคนมีปัญญาย่อมหาทรัพได้สแสดงว่าคนที่หาทรัพไม่ได้เราโง่เราขี้เกียจอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันนะอันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ให้แนวความคิดในทางพระพุทธศาสนาให้คณะัตธาญาติโยมลูกหลาน ได้ฟังอาตา น, นี้ไปพรสสงจะอนุโมทนาให้พร